เบื้องต้นนี้อยากจะให้ไม่ออกคำได้ออกกลนเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้พยายามซอยเหลือเตรียมคนทั้งนี้ให้ก็ได้ในช่วงระยะพันไปผู้ใดมีคนผูกมีปัญหากันมาปรึกษากันต่อไปโบแมนแต่ไม่ได้คำแม่เล็กแม่ใดที่เคยปฏิบัติมาหลายปีแล้วเนี่ยต้องซอยกัน ทางเยอรมันวถ้าหากว่าบอค่อยเุยกัน้นองแบมก็จะพากลุ่มพามูปฏิบัติคือกันเน่ยหอดเวลาหลวงพ่อมากสีเข้ากัมาปฏิบัติพามูมาปฏิบัติน้วกันมันก็จะได้เป็นการเตรียมคนไปตลอดปีคนทุกคนมีความทูกมีปัญหาหมดึดจะให้ยังไงมันบรรเทาบรรเทาเบา บ, า, บางเพื่อให้มันทุกหน่อยลง เขาดีก็ไปกินยาตายไปฆ่าตัวตายไปโดดน้าตายไปยิ่งหัวตัวเองตายมันบอกะถ้าหากว่ามีครูไปส่วนไปต่างค่อยเบาบางไปเขาก็จะบอเป็นโลกยิตมโลกประสาทในย้ำเถ่าเขาก็จะบอหลงสินะคอยมาสร้างสติให้ดีขึ้นเขาซอยกันจังสี่ได้แต่เรื่องซอยเรื่องวัตถุเรื่องหาเงินหาข้ามมือพอไปออกหุ่จักดีโพด แต่ว่าเรื่องจะหาชิตหายใจที่มันสงบสบายเนี่ยต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้ซอยกันดีสิถือว่าได้บุญหลายแต่ว่าเขาทุกอุกอังชิดใจปัญหาขอบข้อปัญหาหลูกได้เสียเมียได้สากหลูกติดยาสามีภันญาติตดคดีเนี่ยมันอุกอังคังแข้นไม่มีมทางออกเลยเพราะนั้นเทากับว่าหากันว่าบอกให้กันฟังแล้วก็หาทางออกมาทําจิตใจให้สงบ หลวพอยังหมักอยู่นั่งสองแม่ลูกมาจากสเปนมาต่อแรกเป็นบาเป็นป่วงไปทัวด้เลยพอมาได้สามสีมือพอได้รับความเมตตากรุณามูเฮ้าเลยผ้าเห็ดเป็นตัวอย่างแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นมันนเรากลับมาวันนี้เนาะอเอาใหญ่